อ, องหนึ่งเชื่อดี น, นาเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีพูดคำเดียวใกลมาหาก็ดีนอหลวงใกรยกย่องก็ดีนอหลวงใกรดินทาก็ดีนอหลวงเรียกหลวงพ่อดีนอไม่ใช่พูดเองคนเรียกมาก่อนในคำสอนเราก็ได้ยินมากันแล้ว พระพุทธเจ้าประกาศมานานแล้วว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เราได้ยินมาไม่ใช่หลงตายเป็นผู้พูดพวมท่องพระธรรมคำสอนดันเป็นธรรมเครื่องออกจากทุ ก, กประกาศมาแล้วในประเทศไทยหลายพันปีมาแล้ว เป็นเครื่องสะกดผีเลดเป็นไปเพื่อปาดิเนิ่พานนี่ก็ได้ยินกันอยู่เป็น่อเพื่อออกจากทุกข์ถ้ามันทุกข์ก็ออกจากทุกข์ได้ถ้ามันหลงก็ออกจากหลงได้ถ้ามันโกรธก็ออกจากโกรธได้นี่มันได้ยินกันมาแอ่นั่นมันไม่ดีอันนี้มันดี ล้วก็ได้ยินมาแล้วอย่างน้อยก็พ่อแม่เป็นครูสอนก่อนแรกได้ยินก่อนใครทั้งหมดเราก็เคยได้ความรู้ปฏิบัติตามพ่อแม่มาไม่มากก็ น, น้อยเจนเป็นคนดีได้เห็นอยู่ในโลกนี้ ถ้าใครไม่ปฏิบัติตามก็เป็นคนชั่วก็ยังเห็นอยู่ในโลกนี้ถ้าจะเป็นความผิดก็เป็นเรื่องของเราถ้าเป็นความถูกก็เป็นเรื่องของเราอย่าไปโทษคนอื่นให้มองอย่างนี้บัณดิตต้องฝึกตนอย่างนี้ช้างศรนย่อมดัดลูกศรนช่างถากก็ย่อมถาก สร้างตัดผมก็ตัดผมรวยเวอรบัณฑิตต้องฝึกตนฝึกตนอย่างนี้แม้ไม่มีใครพูดเราก็ได้ยินหลวงตาพูดจุดนี้พูดกับทุกคนได้ยินมาแล้วทำไมาไม่จึงหลงเพราะไม่รู้ทําไมไม่รู้เพราะไม่ได้สร้างความรู้ทำไมาเราจึงจนว่าเราขี้เกียจทำไมาเราจึงจนเพราะเราเล่นการพ น, นัน ทำไมจึงทุกข์เพราะหลหลงโดยถูกความทุกข์ย่างเอาแล้วไม่รู้จักเข็ดจักหลาโดยโกรธมาแล้วไม่มีประโยชน์เลยเลยความโกรธตะเลาะวิวาทกันบีดเบียนตัวเดงด้วยโอดีใดเป็นไฟายผูตัวเองก็ยังโกรธกันอยู่ เคยมีทุกข์ก็ทุกข์มาแล้วน่าบวดนอนเบื่อกินไม่ได้นอนไม่หลับก้อยไม่เคลียรไม่หลับว่าเป็นไปคู่ออกจากทุกข์นยพรทเจ้าสอนอานีรแล้วทําไงไม่ศึกษาไม่แก้ไขไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์มันมีสิทธิ์ทําได้อยู่เวลาโกรธมีสิทธิเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธทําได้กันอยู่แต่ไม่ค่อยเปลี่ยนการ เหมืนที่ไปยึดเอาความโกรธไม่อยอมปล่อยวางประยึดเอาความทุกข์ไม่อยอมปล่อยวางปงแต่งอยู่เรื่อยเหมืนที่เห็นความหลงเป็นเรื่องสนุกสนานดินเหล้างอยาเทีเท่ยวเตะเร่ร่อนเพลิดเพลินในรูปรถสินเชียงก็ยังทํากันอยู่เสือเงินเสือทองให้ใจสุรุ่ยสุร่ายไม่รู้จัดเก็บหอมรอมริบ มันก็ไม่มีสักทีได้รับมีรายเหลือไม่ค่อยมีนี่ก็เคยผ่านกันมาทุกคนเราจึงมาร่วมกันแช้เรื่องนี้กันเถอะให้มันรู้ซอเหตุผลที่ปัญหาทุกอย่างเกิดจากความไม่รู้ก็ เ, เกิดจากควารู้โลกปัญหาก็จบ ก็ไม่มีความรู้มีอวิชชาปิดบงังจึงเกิดพเกิดชาติชะลามรณะโสกไปเทวทูปถ้ามีวิชชาตั้งต้นมันก็หงดไปได้มันกลับไปได้ไม่มีพบไม่ชาติไม่มีชะลามระไม่มีโกรธไม่โลภไม่หลงมันเป็นได้อย่างนี้จึงเป็นไปเพื่อออกจากทุกข์อย่างนี้ เราก็ว่ากันพุทธังสันลังอัชาไม่ตั้งแต่เข้าเรียนป .1 อ .2 ข้าพเจ้าถือองคพเจ้าเป็นศรนศรนอื่นของข้าพเจ้ามีพระพุธเจ้าเป็นศรนอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือรัตนะนี้แล้วข้าพเจ้าจึงข้อจอกทุ่งบวงได้เป็นภาษานลกแก้วหนักคุณทองไม่เอามาปฏิบัติ รู้กันอยู่ทุกคนก็รู้นะไม่มีใครไม่รู้ว่าโกรธไม่ดีทุกไม่ดีรู้กันอยู่แต่ไม่ค่อยเปลี่ยนตางรู้มันใช่ไม่ได้ต้องหัดต้องหัดเปลี่ยนกรรมาฐานนี่มาหัดเปลี่ยนหัดเปลี่ยนให้เป็นมันหลงรู้ให้เป็นขณะที่มันหลง น, น, นะนะอย่าเอาความรู้มาขวางกา้านมันทุก ก็เปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ทำให้เป็นมันต้องมีแน่นอนถ้าเรามาดูมันก็ต้องเห็นเห็นหลงเห็นรู้มันคู่กันเห็นทุกข์เห็นไม่ทุกข์มันคู่กันอยู่อย่าหมดตัวอนนียเห็นกับตาทับกับมือเราเอากายไปต่ออบความรู้มันต่อแล้อยู่สร้างเป็นพื้นฐานเอาไว้ การศึกษาเบื้องต้นข้าวแรกมีความรู้สึกตัวอย่างเนี้ยมันก็เห็นความหลงเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ศึกษาแล้วหัดแล้วสอนแล้วฝึกแล้วทีแรกก็ฝึกไม่ค่อยเป็นความหลงพาไปไปทางตาบ้างไปทางหูบ้างไปทางจมกูกทางลิ้ยงร่างกายทาง จ, จิตใจโลกรดกินเสียงเป็นเหตุ ตาเป็นเหตุเหตุมันเกิดแล้วก็แช่ที่เหตุนั้นถ้ามันหลงที่ไหนก็แช่ที่นั้นเปลี่ยนคนหลงความรู้ได้มันมีอยู่หมายถ้ามันติดกันเลยเหมือนกับหน้ามือหลังมือความหลงเหมือนกับหลังมือความรู้เหมือนกับหน้ามืออย่างเนี้ หลกที่กายเอากายเป็นผู้ที่เปลี่ยนความหลงไปความรู้ได้มันก็มีอยู่เรามีการเคลื่อนไหวเป็นหลักเป็นฐานเป็นที่ตั้งเอาไว้เหมือนกางกับเปลายืนจับปลอยสะพานเดินข้ามสะพานแคบๆ เ, บเวลามันเซไปก็จับเอาไว้อย่าให้มันพัดตกลงไปอย่าปล่อยตัวให้ตกลงไป ก็จับได้อยู่ไม่ต้องตกก็ได้นี่มันมีฐานมีที่ตั้งมีหลักเป็นอาศัยเรียกว่ากรรมาฐานที่ตั้งของการกระทำมันก็ทำได้อยู่อย่างนี้ไม่ใช่เราเลื่อนลอยยืนอยู่บนอากาศมันก็มีฐานอย่างนี้มีกันทุกคนไม่กยลยถ้ามีสติกันทุกคนไม่ต้องไปขอใคร ก็หลงก็หลงเองแล้วก็รู้เองไม่ต้องไปเรียกใครมาช่วยเหลือเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสนุกหนะเป็นปฏิจจตังอยู่ใกล้ตัวไม่ใช่อยู่ไกลเลยมันพบเห็นอยาน่างนี้ไม่ใช่คิดเห็นอย่าเอาความคิดไปเกี่ยวข้องเหตุผลไปเกี่ยวข้องมาเจาะเอกันตรงๆ เรามีความรู้ความหลงเกิดขึ้นมาตรงๆโง่ๆมาช่ยฉลาดความหลงน่ะเหมือนกบเกวนเฉยเฉยเราก็รู้เอารู้เอาซะเปลี่ยนหลงเป็นรู้เนี่ยทำไมมันเป็นฝึกให้เป็นอย่างเนี้ยนี่ว่กกรรมาฐานไม่ใช่เรียนรู้ตามโรงเรียนตามสถาบันต่างๆเราก็ได้ความรู้กันทุกคนแหละเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นพ่อคนแม่คนสำเร็จมาแล้วประสบการมาแล้วแล้วก็ผ่านเป็นบเรียนมาแล้วไปเป็นหนุ่มเป็นสาวกลางคนอายุผู้เท่าผู้เจยิ่งดีทุกโอกาสนี่เรามาฝึกอย่างนี้อยู่เป็นเพื่อนกันอย่างนี้มันก็อันเดียวกัน ในกายมีใจอันเดียวกันมีตามีหูเหมือนกันมีความหลงเหมือนกันมีความไม่หลงเหมือนกันมีความโกรธเหมือนกันมีความไม่โกรธหวังกันมีความทุกข์เหมือนกันมีความไม่ทุกข์เหมือนกันในการเกิดเจ็บตายเหมือนกันมีความไม่เที่ยงเหมือนกันมีความไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันแต่แม้เหมือนเหมือนกันเวลาเราเปลี่ยนล้าให้เป็นดีการเปลี่ยนไล่เป็นดีเปลี่ยนผีเป็นโูกันหรือว่าไม่เหมือนกัน อันนั้นเรียกว่าภาวนาไม่เสียเวลากับความหลงเอาความหลงมาเป็นความรู้เอาความทุกข์มาเป็นความรู้เอาความโกรธมาเป็นความรู้มันมีอยู่ที่เดียวกันความหลงเป็นเหตุทําให้มีความรู้ได้ความทุกข์เป็นเหตุทาให้มีความรู้ได้เนี่ยมันมีเหตุจากนี้เหตุ ป, ปัจจโยมีเหตุ ไมใช่หลงดื้อมันเกิดจากเหตุก่อนอลรมมานาปรปโจมีอารมณ์ตาเห็นรูกยื่นมหาใจเอาใจเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจชอบไม่ชอบมันไม่ถูกถ้าให้มันตัดสินใจเองมันก็ผิดได้เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะตาเห็นรูกหูได้ยินเสียง เกิดกิเลสตัณหาลาภาโกรธโลภโลงด้เพราะมีเหตุที่ตรงนั้นอารมมณปนาเจูอารมณ์ไม่ใช่ใจความโกรธไม่ใช่ใจความทุกข์ความพอใจไม่พอใจไม่ใช่จิตใจมันเป็นอารมณ์ก็เริ่มวัตถุแล้วก็อาการวัตถุคือตาหูจมูกริ้นกายใจวัตถุคือรูปรสจินเสียง อาการนั่นมันเกิดขึ้นในระหว่างการสัมผัสระหว่างการสัมผัสมันก็เป็นอาการมันเป็นอาการน้อยมากเหมือนกับคนป่วยไม่มากอาการป่วยให้อยู่ขยาตอบสนองรักษาได้เท่าไหรอาการหลงมากบางทีก็เกิดความหลงทุกโกรธอาการที่มันออกไปเป็นอารมณ์อารมณ์ไม่ใช่ใจ มันมาจอนมามายอมใจ ก, กลายเป็นอารมณ์ไปเพราะความหลงผิดบังเอาไว้เมื่อมีความหลงเกิดขึ้นก็เป็นสมมติต่อไปอีกมันอยาดเข้าไปเราชอบเราไม่ชอบมันไปไกลาตามตามความชอบตามตามความไม่ชอบเมื่อชอบไม่ชอบก็ไปแสดงออก ทางกายทั้งใจเต็มที่เป็นพวกเป็นชาติเต็มที่อ า, าโกรธก็แสดงตามความโกรธถ้ารักก็แสดงตามความรักให้ความโกรธพาธรรมให้ความรักผาธรำจงเสียผู้เสียคนนี่ว่าอาการสมมติหมัน ญ, ญัติประยุดเอาว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทาั้งทักนี่มันใช่เรา เราก็ประยึดเอาว่าเราถ้าเราโกรธเราก็ไม่ยอมถ้าโกรธเราถือไว้ไม่ปล่อยทิ้งตอนที่ลักก็กลายเป็นข้อที่ชังได้ถ้าสมมติถ้ามีความโกรธเกิดขึ้นมีอุปทานเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันอนะย่งนีจึหน้าเสียดายเสียดายสิทธิความชอบธรรมความตกทก้อง ผมโกรธไม่ถูกต้องไม่ชอบทำามไม่โกรธถูกต้องชอบทำเฉดดายตรงนี้ในเวลานั้นถ้าเียแล้วแต่ที่จะได้ประโยชน์กลายเป็นโทษใช่ผิดก็กลายเป็นโทษใช่ถูกกลายเป็นประโยชน์ในตัวเรานี่ประโยชน์ถึงที่สวดคืออัตยิมันดประโยชน์โลทัจยิยประโยชน์ ประโยชน์ในโลกนี่ประโยชน์ในโลกหน้าเมืมีประโยชน์เกิดขึ้นก็เป็นประโยชน์ต่อโลกเป็นคนดีล้วก็คนดีที่ไหนก็เจริญที่นั้นเราก็อยู่ที่เราเนี่ยถ้าเป็นคนชั่วที่ใดก็โดดเดอนที่นั้นนี่มันก็เป็นประโยชน์ได้เป็นโทษจากนี้ในชีวิตของคนคนหนึ่งรูปกายรูปน้ำเนี่ย การปฏิบัติธรรมก็คือการมาดูแลลูกและดูแลน้นํานี่กายใจนี่ให้มันอยู่ในความชอบตั้งไว้โดยชอบเมื่อเราอยู่ในชอบโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหารตะกเมีพิกเวพิกุสัมมาวา้ทยลยงเอาโลกอรหันติอัฏฐะโต้เจ้าว่าพิกสุทั้งหลายพวกเธออยู่ในชอบแล้วโลกจะไม่ว่างจากพระอรหัน อยู่แชอบคือนี้แล้วมีความรู้สึกตัวอยู่เนี่ยเห็นกายเห็นอะไรต่างๆที่มันมาทั้งกายมันเกิดทั้งตองใจก็เห็นมันเนี่ยปกติเป็นดวงตาภายในเห็นแม้แต่ทั้งความคิดตาเนื้อไม่เห็นความคิดเห็นแต่เป็นวัดกุตอนน่อในเห็นไหมกระทั่งความคิดความโกรธโลภหลงปกติมันก็อยู่ของมันเองแต่มันมี สิ่งที่มาทําให้ปรงแต่งมันก็เห็นเห็นอารมณ์ไม่ใช่จิตมันมาปรงแต่งเป็นน้ําที่มันเป็นคลื่นไม่ใช่น้ํามันเหตุปัจจัยทําให้เกิดคลื่นอย่าไปมองคลื่นว่าเป็นน้ําน้ําไม่มีคลื่นดอกมันปกติอยู่แต่ถ้ามีเหตุปัจจัยมันก็มีคลื่นขึ้นมาเป็นธรรมชาติใจของเราก็เหมือนกันมีการสัมผัส อาลงมาย่อมก็ย่อมมันขึ้นเกิดขึ้นนี่ความลักเปความชังางของพอใจไม่พอใจของโกโรธโลภหลงเป็นขึ้นของจิตเป็นอารมณ์ของจิตไม่ใช่จิตจิตนั้นปกติอยู่แต่ถ้าเลยมาต้มก็เป็นไปได้ถ้าเราไปหัดไม่มั่นคงเราจึงหัดถ้ามันเห็นเนี่ยไม่ใช่ห้ามมาให้มันเห็น มันคิดอยู่ก็รู้อย่าให้ความคิดเป็นใหญ่อย่าหาคำตอบจากความคิดเกินตายมาเหตุนะผลกันปปฏิบัติธรรมกรรมาฐานให้เป็นการกระทำอันนี้ตัวใครตัวมันไม่มีใครช่วยกันได้ต้องมาช่วยตัวเองแต่เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันอยู่ มีปัญหาไหไก็พอที่จะขี้น้าได้อยู่อย่าหลงคนเดียวอย่าทุกคนเดียวอย่าโกรวคนเดียวบอกกันบ้างบางทีมันแช่ได้บอกทางกันบ้างบอกกันเวลาหลงทางสองแสงสว่างในเวลามันมืดมันมีอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยที่ว่ามีเวียนตามพ่อ่อตามครู มีครูบาอาจารย์มีพ่อมีแม่บางทีท่านลู่อยู่แต่เราต้องเงี่ยหูฟังเราเป็นเพื่อนกันแบบนี้ไม่ปล่อยกันทิ้งจะปล่อยความโกรธจมหีตัวเองคนเดียวแม้แต่การเจ็บการแฉกการตายก็กช่วยได้นะปล่อยให้เป็นเจ็บให้เป็นแก่ ใ, ให้เป็น ถ้าเจไม่เป็นก็เป็นทุกข์เก็บไม่เป็นก็เป็นทุกข์ตายไม่เป็นก็เป็นทุกข์เกิเจ็บเจ็บตายเป็นทุกข์เเจ็บเจ็บตายไม่ทุกข์ไม่มีอยู่อ๋อไม่ใช่ไม่มีมันเป็นคู่กันอยู่มองเป็นคู่แบบนี้เมื่อมีเจก็ต้องมีไม่เจเมื่อมีเจ็บก็ต้องมีไม่เจ็บเมื่อมีตายต้องมีไม่ตายแบบนี้ท่านเรื่องนี้เป็นโจทย์เป็นโจทย์เราเราเป็นจำเลย ก็ามาันเก็บกวรต้งทุกข์เป็นจำเลยไปต้องพิภาคษาดังนี้ให้เป็นธรรมขึ้นมาปติเป็นพิภากษาตุลาการเกิดความเป็นธรรมได้เริ่มต้นท่ามกลางที่สุดเริ่มต้นจะก่อไก่ข้ไข่ให้รู้สึกที่กายนี้ไปอ่านออกแล้วเห็นกายเห็นใจเห็นเป็นรูปธรรมเห็นนามธรรมรกาลังจะอ่านออก ฉลาดเพราะลูกเพราะนามฉลาดเพราะกายเพราะใจอ่านออกเขียนได้จึงใดที่เกิดขึ้นกับกายไม่จนจึงใดเกิดกับใจไม่จนไม่จนไม่มืดฉลาดตรงนี้เป็นความรอบรู้ในกายในใจเรียว่ากองสังขารการรอบรู้ในกองสังขารชื่อว่าปัญญามันเกิดจากนี้ไม่ใช่จากต้นศึกษาอันอื่นเกิดจาก กายจากใจเท่ยวันแสดงออกให้เราเห็นดูสิพระพุทธเจ้าสมัยเป็นเจ้าพ้าชายเอากายเป็นตำลาเอาใจเป็นตำลาไม่มีหนังสือสักเลิมเดียวหนังสือก็ยังไม่มีพระเจ้าลผ่านไปประมาณเจ็ดร้อยปีจึงมามีตัวหนังสือขึ้นมาตั้งค่ายนาตั้งที่สี่ที่ประเทศสีลังกา จะเลือกใส่ใบลานเขียนเป็นตัวอักษรภาษาสิงหหนต่อมามาอัางกฤษน า, างต่อมาอกมาทำที่อินเดียเขียนเป็นตัวบาลีนี่ก็ยังมีหนังสืออันนี้ก็เต็มบ้านเต็มเมืองมันออกจากกายจากใจเรานีปม่8สี่พันอย่างเกิดกระกายกับใจเรา เํานลาเล่มใหญ่พระไตรปิฎกก็เรียกได้แล้วเวลาเรามีสติมันจะเห็นความไม่เที่ยงก็เห็นความเป็นทุกข์ก็เห็นความไม่ใช่ตัวตนก็เห็นมันแสดงอยู่ในกายในใจเรานี้ในอารมณ์นี้ไม่ใช่ความไม่เที่ยงไปอ่านงในหนังสือมันมีอยู่ในคนความทุกข์ไม่ใช่ไปอ่านหนังสือมันอยู่มีอยู่ในคนในกายในใจนี้ เพาไม่ทุกก็ไม่มีอยู่ในหนังสือไม่มีอยู่ในคนนี้มันจึงเป็นอันเดียวกันกายใจก็เป็นอันเดียวกันไม่ใช่เป็นคนละคนท่านที่กันหน้าเหมือนกันรอดเหมือนกันหนาวเหมือนกันหิวเหมือนกันอี่เหมือนกันเจ็บปวดเหมือนกันหลงเหมือนกันทุกข์เหมือนกันความทุกข์ไม่ใช่ต่างกันเลย เคยทุกข์ก็เคยทุกข์นั่นแหละมันเดียวกันแล้วความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยไม่ต้องไม่ถามใครฉันทุกข์หรือเปล่าฉันหิวข้าวหรือเปล่าฉันอิ่มแล้วหรือยังไม่ต้องมีคําถามปัด จ, จัดตังมันเดียวกันแท้ๆไม่มีพันใหม่มันโลกไข้หวัดพันใหม่แล้วโกรธก็พันเก่านั่นแหละมันโกรธคือโกรธนั่นแหละ มันทุกคือทุกขนั่นแหละไม่มีพันธุ์ใหม่มันเดียนจบได้แต่การวิทยาศาสตร์อย่างเดียนมาจบต้องคนคั้ววัคซีนเพื่อป้องกันให้วัคซีนแย่วัดพันธุ์ใหม่ถ้าโรคเอทก็ต้องให้เอทคน ต, ตาเโรคมะเร็งก็ต้องให้จีโบไม่เช่โรคเอทว่าอะไรก็อะไรก็มีอันเก่านั่นแหละ คือโลกอันโลกของโกรธเนี่ยอันเดียวไม่ใช่คนละอย่างอย่างน้อยก็ต้องเปลี่ยนความโกรธเป็นความมโกรธมีสติไม่มีใครช่วยเราได้อันเนี้ยเราต้องช่วยตัวเองอันโลกภายนอกมีหมอเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยพยาบาลช้วยเราหลวงตาเคยอาศัยพยาบาลอาศัยหมอเนี่ยเป็นเทพธิดาเทพตดของเราเลยถ้าไม่มีคนพวกนี้เราไม่ไม่รอดนะ หายใจไม่ได้แล้วหายใจไม่ได้ก็หายใจคนเดียวเองไม่มีใครมาช่วยเราได้เจ็บก็เจ็บคนเดียวถ้าเราไม่ฝึกนะ่ะจนที่สุดเวลานั่นะแต่ถ้าเราฝึกมันยิ่งมีชัดเจนเวลานั้นนะมันมีเรื่องเดียวคือเจ็บไม่เรื่องเงินไม่มีเลยเจ็บก็คือเจ็บใหญ่ที่สุดเวลามันเจ็บมันก็อยู่กับเทว น, นั่นมันก็เห็นแจ้ง หายใจไม่ได้ก็เห็นเรื่องหายใจไม่ได้ไม่มีเรื่องอื่นที่จะเกาชุยกระเจียเป็นโซนตัวมันจนเวลานั้นความเจ็บก็พาให้จนหายใจไม่ได้ก็พาให้จนจะทาําไงเมื่อยอมสงบแล้วไม่ฝึกยอมจึกเราก็ลบไม่เป็นฝึกอย่างเนี้ยมันไปถึงนูน้นจึงเหนือกลางเกิดเจ็เจ็บตายพอเห็นมันเห็นมันเจ็บไม่ใช่เป็นผู้เจ็บ เห็นมันหายใจไม่ได้ไม่ใช่เป็นผู้หายใจไม่ได้เราก็อยู่ของเราเองพร้อมที่จะวางลงปองไว้ไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องเดือดร้อนถ้าเราไม่เป็นก็เอาทุกอย่างทั้งกลัวทั้งอะไรต่างๆเป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์เหมือนกันนีอยู่อาจจะเป็นความเจ็บไม่เป็นทุกข์ เป็นความเจ็ไม่เป็นทุกข์เป็นความตายไม่เป็นทุกข์ไม่อยู่แท้ๆไอ้คนที่จนลรงนี้กันไม่น่าจะจนเลยอ่ะมันเปลี่ยนได้อย่างมันเจ็บเห็นมันเจ็บอย่างเนี่ยมันทำหน้าอยู่มันทุกข์เห็นมันทุกข์เนี่ยอย่าเป็นผู้ทุกข์เนี่ยมันหลงเห็นมันหลงน่ะรู้นั่นแหละรวมรู้ตัวนี้เป็นปัญญาเป็นมรรคเป็นผลไปถ้าเป็นตั้งต้นตรงนี้มันก็ไปไม่ถึงไหนอ่ะ เอามาตั้งต้นกันใครก็เหมือนกันจะจบปัญญาสาขาไหนกตตนตน็ต้องต้นตรงนี้แล้วสี่ลัทธจบมาสาิบเจ็ดาสตร์เป็นเจ้าว่าชายเลี้ยงจริงเต่ต้องมาตั้งต้นที่นี่ไม่เอาแช่โอาสาสตร์นั่นมาเป็นสิ่งต่อรองแล้วก็มีกายมีใจเนี้ยตั้งต้นก็จะมีสติเห็นกายเนี่ย กายยานุปัชนาเนี่ยเห็นกายอยู่เป็นประจำไม่ออกไหนไปไหนเรื่องของกายหัดลูกมันมันจะไปทางไหนเรื่องของใจก็เห็นมันดูมันอยู่เนี่ยมันก็เห็นแน่นอนมันคิดถึงพิมพาเวลานั่งอยู่ต้นศีมังคโปความคิดจะหอบขึ้นไปเราเห็นผลจากความคิดเราเป็นเจ้าพ่อชายเป็น จักระพัติลาชได้คลองในทวีปทั้งเกตนี้ได้เราจะมานั่งอยู่ใต้ต้นทัวได้ยังไงพิมพ์พาก็ยังดูดาวหุนก็ยังมีอยู่เราสมหวดรัพย์จินเดินงคาดยังไม่อยู่ปัส ส, ส, าสาวะจดูยังไม่อยู่มีสิทธิของเราสาวสนมกำนานไหนทั้งหลายเต็มพระราชวังอยู่เวลานอนกลับก่อมให้บู บ, บรุษเพียพน ทุกข์ึ้นก็ยังได้จะมาอยู่อย่างนี้ได้ไงเหตุผลก็โดดที่จากสีห้าโพไปใช่ไหมกลับขึ้นจารินพัทพ ร, ราชะวังเลยไม่ไปเวลามันชี้ขึ้นมาจุดเวลานี้เราไม่ใช่มานั่งคิดถึงพิมพาเวลานี้เรามีสติเห็นกายยกมือไปยกมือมาเนี่ยเราลู่นี้ยมือยกมือเข้าเอามือออกรูเนี้ย การคูแ่แขนเข้าการเหยียดแขนออกให้รู้เนี่ยเอกจากกระโปรงอาจจะเดินยงกลมอยู่ด้านทิศเหนือสีมหาโพธิ์อนดาไปเห็นอยู่ที่ไหนไหนที่ผู้เจ้าอยู่มักจะมีทางเดินยงกลมป่าสีปัตนะก็เดินยงกลมอยู่โ้อนเดินยองกมอยู่ค่อยจะสว่างยอดสาวคนบดออกจากเงืองมาร้องมา ขณะที่พองจงกบอยู่ประมาณตีสี่ตีห้าที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเน้ะจ้าญาติสาวคนหมดลูกขีดถีเบอร์ต่อมาเจ้าจงกรมอยู่พอดีขานตอบไปเลยที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องงานนี่ก็ได้ได้ <laughs> ยินไหม อฟุตโทสุดโตโทกัลุนนามหันนโวพระเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกัุณาโดดทั่วงมหาโนบช่วยคนได้แๆเห็นคนทุกข์อยากช่วยที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่กอดน้องมาที่นี่ก็ได้อย่าสากูดเข้าไปเลยพระเจ้าจงงอยู่ก็สอนกันอเวลามันคิดถึงวิปาสกลับมาคิดถึงลาหุนกลับมา มันคิดที่ไรก็มารู้หมายให้ความคิดเป็นใหญ่ให้ความรู้เป็นใหญ่เปลี่ยนความคิดออกไปมันหลงให้เป็นความรู้ไปถึงภาษาสามดูในช่วงเพนเดนหกเนี่ยมันฝนตกซุกอะไม่มีหัวใจมันเหล่านะต้นสีมหาโพลฝนตกก็เปียกก็ย่อมคิดใช่ไหม ไม่มีใครมาคิดต้องแม่แต่เราก็ต้องถือล่มวิ่งไปเข้าร่มเข้าล่ ม, ลมหรือกลางร่มบอกนี่สิทธะไม่มีปัญญาที่จะเมียอย่างนั้นแหละไม่แต่นั่งก็ย่าขาที่โสธทิพรรมเอาให้ไม่มีอะไรไปเกี่ยวย่าขามาเห็นสิทธะเดินขึ้นจากในลันชลาเพื่อคนสีเป็นเดินจีมหาโพธิเทพ ร, รม แบกย่าขามาเกิดสงสารเกิดจั tha ไม่มีอะไรให้มีย่าขาเนะี่ยแบ่งให้เอาไปเอาไปไเราจนใช่ไหมคิดหาอะไรให้ก็ไม่มีเช่นหญิงคนหนึ่งเป็นลูกจ้างเฝ้าหนาไปตักน้ําเอาเข้าขวคั่วใส่พกสิ้นไปเอาไปกินไปตักน้ําหิวมากทํางานตทำข้าว โล่งแจ้งสติเวลาเห็นตัวเจ้าออกมาเมตตาบาดโอ้ยไม่รวยเจ้าอะให้เนาะมีแต่อาบน้ํากระถังเป่าแล้วเห็นข้าวคั่วอยู่ในพวกสิ้นไปเปิดพวกพีนหรือเปล่าเลยเอาเข้าวคั่วใหว้ว่าเจ้าไปกินนะว่าให้เรากตกใจเอ๊ะท่านจะฉันให้หรือเปล่าน้อน่าเกลียดนะข้าขวคั่วเพียงนิดน่อยอยู่ในพกสิ้นเราเนะ่ะ เจ้าก็ให้ ใ, นะนนหใช่ไหมมันจนเนาะใช่ไหมมิจเจ้าก็รู้เลยไปนั่งฉันก็นั่งฉันคนรับจ้างต่ำข้าวว่ดีใจโอ้สัตรเนี่อเลยบุญนะอะถึงว่าหญิงคนนั้นตายเป็นเพทพธิดาเลยทีเดียวเก็ให้ทานเราเึงมีเป็นข้าวสากใช่ไหมข้าวกีใช่ไหม เคยจีเข้าไปถวายพระไหมไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวนี้นะน อ, อะไม่มีแลยบุญเข้าจีแต่ก่อนเดือนสามบุญเข้าจี่เดือนสี่บุญพระเวดเดี๋ยวนี้เดือนสามไม่มีบุญเข้าจีเลยไม่เคยจีเข้าจี่มาอยู่เนี้ยแต่บ้านเก่าบ้านเกิดยังมีอยู่นะก็มีประเพณีมาจากนี้มีย่าคานั่งนิดเดียวไปต้นศรีมหาโพธิ์แท่นศิลาอาร อ, อันเครื่องมุงเครื่องบัง ม, มันจนขนาดนั้นแล้วมันก็ยอมคิดสวนทางมันอย่างใหญ่เลยตายเป็นตายแต่อยู่ตรงนี้แหละอะไรก็ทํมาหมดแล้วหกปีหรือเรื่องเดียวคือกายใจมันเป็นดังคิดเข้ามาทันทีมีมันคิดก็เห็นมันกลับมาคิดถึงภัยพากลับมากลัวตายก็กลับมาทําได้จะเป็นไข้ร่อนๆหนาวๆไม่กลัว รู้จึกตัวขึ้น่ารู้จึกตัวขึ้นมารู้จึกตัวในวันมันหลงเอาไปมามันก็เพิ่มรู้ ก, กิดขึ้นในคืนมันเพนเดินหกเท่า น, นั้นเองได้บรรลุธรรมต้องเดินตามรอยตรงนี้ไปพวกเราตามลอยนี่ไปนี่ลอยพุทธเจ้าแท้ๆไม่ใช่ลอยอยู่พระบาทชล บ, บรีอันนั้นก็มีเหมือนกันแต่รอยที่จะไม่เกิดเป็นพวกเที่ยวมันอยู่ตรงนี้มีสติสัมปชัญญะ เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เลยไยเมื่อมีสติมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นลด้ปเป็นฉินเป็นสมาธิเป็นปัญญาได้ไม่หวั่นไหวแต่ก่อนหวั่นไหวเพราะความคิดผิดอะไรก็ผิดไปเลยถ้าเกิดจากความคิดยที่ฉินก็มีทําไมทุกข์ทาไมโกรธก็มีบัดนี้ไม่มีปัญหาเพราะมีคิดขึ้นมาได้ประโยชน์จากมันมันจะรู้เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ได้ทุกข์กว่าเดิมอ ทุกคนทำหน้าอยู่แต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็ทําไม่ได้นะนี่ไหมจ้ามันหลงไปรู้สึกตัวมีบ้างไหมพวกเราที่อยู่ที่เนี่ยฮะถ้าไม่ไปตรงนี้ถ้าไม่เปลี่ยนตรงนี้ไปไม่ถึงไหนนะเดี๋ยวปีเอาเดือนมากําหนดเอาตรงนี้แหละความเพียร ม, มั่นคงเปลี่ยนก ล, ล่อมหลงไปความรู้เนี่ยนี่เดี๋ยวความเพียรมั่นคงถ้าความหลงไปร่วมหลงความเพียรไม่มั่นคงเร็วไม่ได้ประโยชน์ เรื่องคมเปี่ยนมั่นคงเปลี่ยนควาหลงไปควารู้เนี่มั่นคงทุกทีที่มันหลงรู้ทุกทีที่มันหลงทุกทีที่มันทุกรู้ทุกทีที่มันโปวเนี่มั่นคงเมื่อมันมันคงอย่างนี้รักษากายรักษาใจเป็นสินขึ้นมาเป็นสินขึ้นมาเป็นสินขึ้นมาสินนี่กำจัดกิเลสได้กระทบกับเถือนมุตเถึงการปองแตกความโกรธโลภหลงได้เมื่อมันมั่นใจเป็นสมาธิขึ้นมาไม่หวั่นไหวควบความหลงความทุก ทำไมเข้มแข็งตรงนี้มันอ่อนแอแต่ก่อนอ่อนแอบัตนี้มันเข้มแข็งสมาธิเหมือนก้อนหินไม่หวั่นไหวเพราะหลงันใดมันก็คิดอยู่แต่ไม่หวั่นไหวเข้มแข็งขึ้นมาแล้วก็ปัญญารอบรูปมีปัญญารอบรูปมันก็เหมือนจักแข็งทำหมุนไปมันก็อ้ายขึ้นเหมือนจิ้งโคกหลงเขาต้องมาหลงเป็นหลง ทุกเป็นทุกเหมือนจิ้งโคกขึ้นเขาทุกข์ครปฏิปทาปฏิบัติลาบากต้องเป็นตัวใครตัวมันเรื่องนี้หัดเอาฝึกเอาบางทีคุณคิดในลมที่คุณคิดไม่รู้จักสอดคมคิดออกเอาคิดที่ใดก็ปล่อยอารมณ์ไปเป็นปรุงแต่งเบื้อไปคิดแบบบ้าๆบอๆคิดสรพ้พงบ้านประโยชน์ไม่มีประโยชน์นะัอ มันลงตบคุณเรื่องเลียงล่างลิงอ่เรื่องเดียงซุกซนได้ยินไหมเมืม่อวานนะลิงเจ้าซุกซนอ่ะฮชอบกระโดดโลดเต้นไปที่ต้นไม้เปลีย ว, เ, ยวเดียวไม่มีกิ่งก้านสาขาชอบกระโดดหน้าผาชอบสุขซนจนติดตังทั้งขามือสอขาสี่ขาปากก็ติดอ่ะสนุนหน้ามันจะเจ้าซุกซนฉนเดยพิกษุต้องหลอยเจ้ากุมารดาพิกษุ พิจารทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายหมกมุ่นคุณคิดในอารมณ์ที่คุณคิดไม่สํารวมอาจฉนระิยะหูจะหมูนลิ้นกายใจแล่นไปในอารมณ์ต่างๆในตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเพลิดเพลินในกรมคุณถ้าจยฉันอยากเออทั้งหลายก็ต้องถูกราคะโทระัมหะเทียบแทงของจีใจของเธอเธอก็อยู่ไม่ได้จีบอลูกเป็นไฟเจ้าในบาทลูกเป็นไฟกระตีลูกเป็นไฟ เธอต้องศึกขาลายเพศไปฉันใดก็ดีมานเอาไปจินเอาไปฆ่าจนเกียนตายพิกษุทั้งหลายฉันใดก็ดีเธอทั้งหลายจงอย่าเป็นเช่นลิงเช้ายวสุกสนเช่นนั้นให้สหรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจ